บทที่10หลากพันธะฮัลโหลจะเหรอนี่โจกนะลันดาวยิ้มเหนื่อยดีใจเล็กๆ เ, เมื่อรู้ว่าเป็นเขานนทการเป็นคนดีในความหลงไหลและหวังรอการตอบรักจากหล่อนลมๆแรงๆเขามีใจจริงห่วงใยแบบไม่หวังผลอยู่ด้วยเรากับเคยติดค้างบุญคุณมาแต่ปางก่อนจนยอมชดใช้อย่างปลัสจากเงื่อนไขบอกตอนเองว่าถ้ามีเรื่องลาบากต้องหันไปหาความช่วยเหลือจากใครห่วงเวลานี้ นนทการคงเป็นคนแรกที่หล่อนจะนึกถึงว่าไงจ้ารูปหล่อยญิงสาวอารมณ์ดีพอจะยั่วเยาฮ่หล่อจริงอ่ะจริงหล่อแล้วทําไมไม่รักล่ะลานดาวยิ้มมุมปากหากเขาอ่านใจหล่อนออกคงได้แต่กลอกหน้าเพราะกําลังคิดว่าหล่อมีหลายแบบทั้งหล่อกระจอกหล่อเรียบเรียบหล่อเร้าใจไปจนถึงหล่อกระชากใจอีกอย่างหล่อนไม่ได้เป็นคนแพ้ความหล่อง่ายนักหากขาดคุณสมบัติที่ทําให้ตาตื่นหล่อนก็พร้อมจะเมินทันที วันนี้มีอะไรให้ข้าเจ้ารับใช้เจ้าคะถ้าจะโทรมาคุยเล่นนี่มีปัญหาหรือเปล่าปัญหาไม่มีแต่อาจมีรายงานให้ช่วยทำได้นะอยากคะแนนตกก็เอามาเลยยินดีช่วยยิงสาวยิ้มให้กระบอกโทรศัพท์ฉันเป็นได้แค่เพื่อนเธอนะโจกอยู่ๆหล่อนก็นึกอยากพูดเช่นนั้นเข้าใจแล้วย้ำหลายครั้งแล้วเบื่อฟังซ้ำซากแล้วโจ ก, ก็บอกแล้วไงว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีของจ๊ะฉันรู้ว่าเธอพูดแต่ปากจะยังรออยู่ ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะมีความสุขกับการรอแบบหมดหวังถ้าเมื่อไหร่เราทำตัวเป็นเจ้าของจ๊ะหรือลุกขึ้นหือถือสิทธิ์อะไรก็ค่อยเขี่ยเราไปให้พ้นทางแบบรายอื่นๆที่มากวนใจแล้วกันลานดาวยิ้มกว้างขึ้นฉันสัญญาว่าจะรักษาเธอไว้เป็นเพื่อนตลอดไปขอบใจรู้สึกเป็นเกียรติบางทีฉันก็เริ่มรู้สึกตัวว่าไม่สามารถมีเพื่อนสนิทได้ กี่คนกี่คนก็ต้องห่างหายกันไปหมดเผลอๆก็กลายเป็นศัตรูกันไปเลยซึ่งเหตุผลอาจเพราะฉันมีเพื่อนสนิทผิดเพศจริงแหละผู้หญิงด้วยกันคงอดริษยาจะไม่ได้ทั้งนั้นก็มีนะที่ไม่ริษยาแต่ต้องแบบน้องหรือแบบพี่อ๋ออืมใช่พอคนเราฐานะแตกต่างให้รู้ๆก็จะได้ไม่ต้องนึกอยากแข่งดีกันถ้าฉันจะคบกับเธอเป็นเพื่อนสนิทแน่ใจไหมว่าจะไม่ฝันหวานหวังลมแรงเกินเลยแน่ใจดี ต่อไปนี้มีอะไรฉันจะระบายให้เธอฟังขอให้เธอเป็นคู่คิดขณะเดียวกันจะพยายามเก็บเก็บอาการหวานเสน่ห์ไว้เธอจะได้ไม่ต้องลําบากอ้อไม่ต้องพยายามชวนไปไหนต่อไหนนะลูกไม้พาไปดูหมอก็ไม่เอาคุยกันทางนี้หรือเจอกันที่คณะพอหล่อนพูดตรงไปตรงมาให้ฟังง่ายและจริงใจซึ่งนนทการก็รับฟังด้วยความหลิงโลดตกลงเขารับคําทันใดจะมีความเป็นเพื่อนที่ดีโจกอยากได้เพื่อนแบบจะมานาน ลานดาวยิ้มหยันเลิกป้อยอฉันได้แล้วนายโจก๊กถ้าจะสีกันก็จงเป็นกระจกเงาที่ไม่บิดเบี้ยวไว้ให้ฉันส่องตัวเองฉันไม่เคยเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้ชายคนไหนใจมีแต่นึกดูถูกอยากใช้เป็นเครื่องรองรับอารมณ์เกลี้ยกลด่ดหรืออยากทำตัวเป็นนางพญาที่มีค่ารับใช้ห้อมล้อมเท่านั้นนนทการอึกอักเออโอเคแต่กลัวพูดตรงๆแล้วเธอจะโกรธนะซีถ้าโกรธแล้วคิดได้เดี๋ยวฉันงอนเสร็จก็ตามไปกราบขอขามาเธอเองชายหนุ่มหัวเราะ งอคนเป็นด้วยเป็นห่อนรับคำหนักแน่นถ้าบอกเวลาว่าจะคบกับเธอแบบเพื่อนแปลว่าเธอจะเห็นอีกหลายแง่มุมที่ยังไม่เคยเห็นต่อไปนี้เธอจะเห็นฉันรู้สึกเสียสละแทนการเอารัดเอาเปรียบเป็นนางจอมงกเธอจะเห็นฉันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมร้อนแทนการเสนอหน้าเฉพาะเวลาเป็นสุขอย่างเดียวแม้ดีใจเธอใจดีฉันจะบอกเหตุผลฉันต้องการเธอเป็นเพื่อนสนิทเพราะเธอหน้าไวใจยากจะทรยศใคร อีกอย่างเราคุยภาษาเดียวกันชอบความรื่นรมตามสบายเหมือนกันและฉันมีความเชื่อลึกๆว่าเธอเป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนในสถานการณ์ไหนๆเอาหลัะคราวนี้ถึงตาเธอบอกมั่งทําไมถึงอยากได้ฉันเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะคุณชอบความรื่นรมสบายสบายสบายตายละต้องรีดเหตุผลกันด้วยเกิดมาไม่เคยเป็นเพื่อนกับใครลําบากขนาดนี้เลยตูนนทการทําเสียงบ่นยังผลให้ลานดาวขุนใจขึ้นมาวูบหนึ่งคาทิลิกเลี่ยงคําบัญชา แต่พอสำนึกได้ก็ท่อเสียงอ่อนก็แค่อยากฟังเล่นบอกเสียหน่อยไม่ได้หรือไงเป็นนักจารณัยไม่ใช่หรือก็ได้สั้นๆเลยนะเพราะฉันอยากอยู่ใกล้เธอลานดาวขามวดคิ้วยน่นเหตุผลเหมือนจะเอาเป็นแฟนนี่นนทการถอนใจเฮือกจ๊ะเธอเคยคิดถึงใครมากๆชนิดที่แกะเขาออกจากหัวไม่ได้บ้างไหมเหมือนมีหน้าเหมือนมีเสียงมาลออยู่ในหัวตลอดเวลาน่ะ ถ้าเคยจำเป็นเสมอไปหม่ว่าต้องดึงดันเอามาเป็นแฟนให้จงได้ล้านดาวสะอึกกับคำถามของนนทการขณะนี้ในหัวหล่อนมีแต่พี่เอิญพี่เอิญและพี่เอิญห่างมาแค่หนึ่งคืนกับครึ่งวันถึงขนาดกระวนกระวายเล็กๆอยากเล่นไปหาไปพูดคุยไปเห็นหน้าแต่ติดตรงที่โทรหาเมื่อชาวทราบว่าต้องเข้าเวรกว่าจะเจอได้ก็คงมือค่าซึ่งมาวันทาจะแนะนาให้รู้จักกับลัตทีสามีนักบินของหล่อนด้วย ถ้าคิดถึงมากขนาดวนเวียนอยู่ในหัวตลอดก็มีแต่เป็นผู้หญิงด้วยกันอย่าเสียใจนั่นแหละอิทธิพลของรูปโฉมกับพลังเสียงของใครบางคนในโลกมีผลสะเทือนกับใจเราสูงทําให้ฝังจําแน่นหนาทําให้คิดถึงมากพิศวาสมากอยากอยู่ใกล้นานๆแต่ไม่จําเป็นต้องหมายถึงอยากได้มาครองก็แค่มีสิทธิ์ได้เห็นได้คุยบ่อยๆเพื่อปรับความทรงจําให้สดใหม่ตามวันแค่นั้นพอแล้วเข้าใจ หญิงสาวตรองตามครู่หนึ่งพยักหน้าตาสว่างอืมโอเคถ้าพูดอย่างนี้ก็สบายใจละ่ะนนทการไม่มีวันรู้เลยว่าลานดาวสบายใจเพราะได้คําตอบได้เหตุผลที่ดีไว้อธิบายตนเองว่าเหตุใดจนป่านนี้จึงยังคิดถึงแต่พี่เอิญไม่เลิกสักทีคุยสับเพเหระกับนนทการอีกพักใหญ่หลอนยิ้มกลิ่มอยู่ตลอดด้วยความพึงใจกับเหตุผลที่ทําให้คนเราคิดถึงใครสักคนก็แค่อิทธิพลของรูปกับเสียงไม่มีอะไรลึกลับไปกว่านั้น จะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็หาใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใดกลับจากโรงพยาบาลมาวันทาเหลือเวลาบ้างจึงทำแกงเขียวหวานไก่ที่ลัททีบอกว่าชาตินี้จะขอถูกใจแต่ฝีมือหล่อนคนเดียวลานดาวเดินทางมาถึงตรงตามนัดทุ่มครึ่งมาวันทากระวีกระวาดออกไปเปิดประตูรับและเมื่อลงจากรถยกมือไหว้แล้วลานดาวก็ตรงเข้าสวมกอดหลอนทันทีคิดถึงพี่เอินจังมาวันทากอดตอบเล็กน้อยพี่อองเพิ่งอาบน้าเสร็จ ลงมาพอดีเมื่อกี้นี้เองจุงมือน้องเข้าบ้านพามาที่ห้องรับแขกซึ่งลัตทีนั่งข่ห้างอ่านหนังสือพิมพ์อยู่งเงีย บ, ยบพี่อ่องคะนี่น้องจคะค่ะเสียงแนะนําของมาวันทาสดใสเป็นพิเศกลัตทีลดหนังสือพิมพ์ลงทีแรกทําท่าสังกตายเพราะยังค้างอารมณ์จากการถูกเถียงกับมาวันทาทางอินเทอร์เน็ตแต่พอเห็นการปรากฏตัวของสาวน้อยหน้าใหม่ที่กําลังส่งยิ้มให้และพนมมือไหว้ชายหนุ่มก็ออกอาการตะลึงยกมือรับไหว้เงอะงะ สวัสดีค่ะพี่อ๋องฮัอวัสดีสวัสดีความเชิดชายอาภาของลานดาวมักมีผลต่ออากับกิริยาของชายทุกรูปนามเ ช, เช่นความปรากฏแห่งนิมิตที่อยู่เหนือการต้านทานของจิตใจอย่างน้อยก็ทำให้นักบินมาสุขุมอย่างลัตทีลุกขึ้นยืนด้วยอาการเก้ะๆกลางๆได้ไปทานกันเลยดีกว่านะเขาเป็นคนออกปากชวนลานดาวแค่ยิ้มรับนิดๆและเดินตามสองสามีภรรยามาที่โต๊ะทานข้าว ซึ่งจัดสำหรับไว้พร้อมแล้วลทัทธีทำหน้าที่ตักข้าวใส่จานทั้งสามส่วนมาวันทาเลยไปหยิบน้ำเย็นจากตู้เย็นมารินมือข้ามเริ่มต้นด้วยความอบอุ่นลทัทธีตักแกงเขียวหวานไก่เข้าปากเป็นคำแรกและเอิญชมสีภรรยาต่อหน้าผู้มาเยือนเพื่อประสานริ้วรอยทางใจให้เข้าที่รู้ใจดีจริงอยากกินอยู่พอดีเว้นมาตั้งเป็นเดือนแล้วจะลองสิกินที่ไหนก็ไม่เหมือนรสมือของเอินเลย ลานดาวเหลือบตามองแกงหน้าตาสวยในชามยิ้มยิ้มใช้ช้อนกลางตักใส่จานชิมดูคำแรกก็ทราบว่ามาวันทาคัดเนื้อไก่อย่างดีเคี่ยวแกงในแบบมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้เข้มข้นนุ่มลิ้นชิมเสร็จก็ทำตาโตอุทานเพื่อให้เป็นแนวร่วมสนับสนุนคำชมของลัตทีดังๆโหคืนนี้กลัวหน้ามืดเป็นชูชกจังเลยเรานี่มันแกงเขียวหวานไก่ไล่วความเสียดายหุ่นชัดๆลัตทีหัวเราะร่ า, ราพี่ต้องห้ามเอินว่าอย่าเข้าครัวเองบ่อย อร่อยลืมโลกจนอ้วนปี๋ต้องรีดน้ำหนักหลายทีแล้วเป็นรางวัลของคนตาแหลมไงคะได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้แหละแม่ครัวคนเก่งที่ถูกรุมชมเบะปากยิ้มกลมหน้ากลมตาตักปลาสำลีเผาเงียบๆพี่เอินทําแกงเขียวหวานไก่อย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นก็รู้กับข้าวอื่นโคนลชั้นเลยมาวันทาอยากคิว้วอยากกินฝีมือทําเองทั้งหมดวันหลังก็มาช่วยกันสิได้มาเป็นลูกมือมาดูดวิชามาทําลายส่วนโค้งของเอวกันอย่างมีความสุข เห็นเอินบอกว่า <cost> จ้ามาเรียนเป่าฟลุตกับเขาหรอค่ะพี่อ๋องพี่เอินใจดียอมมีลูกศิษย์หัวช้าอย่างจ้าช้าที่ไหนคุณครูขัดเมื่อคืนทำลูกคลื่นได้แล้วมาวันทาหมายถึงเทคนิคการใช้กล้ามเนื้อลำคอกับกระบังลมเพื่อส่งจังหวะอัดและคลายความสะเทือนเป็นห่วงๆเข้าไปในลำเสียงทำนองเดียวกับการลงลูกคอในการขับร้องเพลงสาหรับการเล่น f l ุ t แล้ว ใครทำลูกคลื่นไม่ได้ถือว่าเป็นเพียงนักผลิตเสียงแห้งคาชีวิตชีวาน่าสนใจแบบเดียวกับออกงานราตรีแล้วขาดอภรรย์งามกับเครื่องประดับแพรวเลยทีเดียวลานดาวมีลมหายใจที่แข็งแรงจากการฝึกขับร้องมานานและร่างกายที่สมบูรณ์จากการเล่นกีฬาสม่ำเสมอเพียงมาวันทาสอนคุมกล้ามเนื้อที่ต้องใช้แค่ครู่หนึ่งลานดาวก็เริ่มส่งกระแสลมก่อลูกคลื่นได้แบบอ่อนๆ อ, อ, อาจเป็นเพราะหล่อนชำนาญลงลูกคออยู่ก่อนหน้าจึงมีส่วนช่วยให้สำเร็จเร็วเป็นพิเศษด้วย ลัทีเลยอะงั้นเหมาะไว้เราจะได้มีขาฟลุตเพิ่มกำลังหาซื้อนอตจากอินเทอร์เน็ตเตรียมไว้แล้วค่ะฟลุตสองเปียโนหนึ่งมาวันทาสารตาหวานกับสามีลานดาวเห็นกระแสไมตรีในรักลึกซึ้งที่เชื่อมเข้าหากันสนิทชัดเคยพบเจอการสารตาระหว่างชายหญิงมามากต่อมากแต่น้อยหนจะสัมผัสถึงความแรงในกระแสรักกระแสความพิศวาระดับนี้อ่านด้วยตาเปล่าออกทีเดียวว่า สามีภรรยาคู่นิวรักและมีความสุขร่วมกันมากมายเพียงใดสรลดลงเล็กน้อยลานดาวเบือนหน้าไปทางอื่นแต่พอหาเหตุผลว่าทำไมต้องเบือนหน้าหนีไม่ได้ก็หันกลับมาปั้นเสียงสุดใสต่อวันนี้จะแต่งเพลงไวใ้ให้พี่อ่องกับพี่เอินด้วยค่ะทานข้าวเสร็จจะเอาโนต้ตมาให้ดูเป็นแนวเซลติกง่ายๆระหว่างฟลุต ก, กับกีตาร์มาวันทายิ้มให้ลานดาวและพยักเย์ดกับลัตทีแล้วพี่อองจะรู้ว่าแม่คนนี้ฝีมือดนตรีร้ายกาจขนาดไหน และทีเอ็นหลังพิงพนักมองลานดาวด้วยสายตาตรงเมื่อคืนเอินพูดถึงเจ้านิดเดียวว่ามาเรียนฟลุตด้วยสงสัยต้องสัมภาษณ์เองแล้วละ่ะหน่วยก้านไม่เบาเรียนมาทางดนตรีโดยเฉพาะหรือเปล่าเออยค่ะเอินเป็นคนที่คลั่งใครฟลุตเอามากๆเขาเคยสองจิตสองใจเลือกระหว่างเรียนหมอกับเรียนดนตรีตดเอนทรานส์ก็เลือกหมอกับดนตรีอย่างละครึง่งแบบให้ผลเป็นตัวชี้ว่าเขาควรจะเป็นอะไรซึ่งก็ปรากฏว่าผลสอบส่งให้มาทางหมอ ดีนะคะถ้าพี่เอิญเรียนดนตรีอาจไม่มีหมอใจดีทางเน็ตแล้วชาตินี้จ้าก็อาจหมดช่องทางเจอพี่เอิญคนเราถ้าต้องเจอยังไงก็ต้องเจออยู่ดีมั้งถ้าถามคนเชื่อเรื่องกรรมเวรก็ไม่รู้เขาจะบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักนะคะระหว่างต้องเจอคนมีกรรมสัมพันธ์กันแน่ๆกับเพราะเลือกทางชีวิตแบบหนึ่งจึงเจอคนกลุ่มหนึ่งอันไหนมีความสําคัญก่อนหลังคนหรือทางลานดาวเปรย์ไปทางมาวันทามากกว่าลทัทธิมาวันทาจึงออกความเห็น คนอาจทำให้เราเจอทางทางอาจทำให้เราเจอคนและกรรมเก่าอาจทำให้เราเจอทั้งคนและทางพี่คิดว่าทุกอย่างผูกประสานเข้าไว้ด้วยกันมากกว่าอิงอย่างใดอย่างหนึ่งนะละทัทธิหันมาถามลานดาวยิ้มยิ้มสงสัยได้คุยธรรมะกับแม่ชีเอิญบ้างแล้วละสิรายนี้รู้เยอะนะอ่านสารพัดทั้งปรัชญาตะวันตกและาศาสนาตะวันออกเขาวชวนพี่คุยเหมือนกันพี่ก็พยายามเปิดกระหม่อมรับแสงสว่างอยู่ แต่มักเสียความตั้งใจครึ่งหลับครึ่งตื่นก่อนแสงจะสาดมาถึงเสมอบางทีเคลิมนึกไปว่าฟังวิทยุที่มีแม่ชีเทศอะไรเจ้าเจ้าลานดาวหัวเราะแล้วเล่าจากประสบการณ์พี่เอิญคุยกับพระคล่องเชียวค่ะลัทธิยิ้มพลายนั่นสิถ้าตกงานน่าให้ไปเป็นมัคนายกตามวัดคอยเป็นตัวแทนคารวะเจรจากับพระพี่เอิญเล่าให้ฟังว่าเจอกับพี่อ่องเพราะต้องเล่นดนตรีครู่กัน แปลว่าก่อนหน้านั้นใครจะเลือกเรียนคณะไหนไม่สำคัญอย่างไรก็ต้องมาพบเจอด้วยสื่อคือดนตรีอยู่ดีอ๋อพี่มองว่าเป็นจังหวนะน่ะเพื่อเอินคนจัดกิจกรรมเขารู้จักเราทั้งคู่เห็นว่ามีคาแรคเตอร์เข้ากันได้สีสันดีแล้วก็พอจะเล่นแบบออกงานได้เลยชักชวนและกลายเป็นพ่อสื่อไปโดยปริยายตอนนั้นเป็นกิจกรรมนักศึกษาร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมคนต้นไอเดียรวมเอาความสามารถของนักศึกษาจากหลายคณะมาแสดงตลอดวัน ประเดิมการพบกันด้วยงานบุญเลยนะคะน่าอิจฉาจังรายนี้เขาไฝ่บุญอยู่แล้วลากพี่ไปสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าคนชลาวัดวาต่างๆเรื่อยวันหลังพาจ้าไปมั่งนะคะลานดาวหันมาอ้อนเพิ่งไปกันมาเมื่อวานนี้ไงวัดนะมาวันทาเตือนความจําเอาที่อื่นๆด้วยคุยอย่างเป็นกันเองพอสมควรแล้วลัทถี่ค่อยลดอาการหนุ่มตื่นสาวสวยลงและเริ่มสังเกตพินิจ ด, ดวงหน้าเนียนชฉลี่ยด้วยสายตาของผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กมากขึ้น แบบลานดาวน่าจะเหมาะกับการเป็นดาราคงรวยฉลุยจากการคลองหัวใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตลอดจนกระทั่งเท่าหัวงูทั่วประเทศเสียอย่างเดียวถ้าให้ไปเป็นดาราจริงรับรองว่ายังไงก็ตีบทอาภัพอับภาคไม่แตกเพราะตั้งแต่เกิดมาคงไม่เคยมีเรื่องน่าสงสารเลยสักวันหมดสิทธิ์ก่อกระแสเศร้าประทับลงบนแผ่นฟิล์มเป็นแน่แม่สาวน้อยคงมีความถูกชะตากับภรรยาเขาอยู่มากสังเกตยามหล่อนมองมาวันทาในตาจะเปลี่ยนไปแตกต่างจากปกติ ลัตทีเห็นความนิยมบูชาเห็นความรักสะอาดใสซื่อแบบเด็กๆและจะหาว่าอุปทานหรือคิดมากเกินเหตุอย่างไรก็ยอมเขาว่าเมื่อครู่เขาเห็นแววห่วงแหนอยู่แว บ, บๆซึ่งคิดในแง่ดีก็อาจเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามีภ้า ข, ของเด็กห่วงของเล่นใหม่ที่กําลังหลงปลื้มด้วยกันทั้งนั้นเสร็จจากอาหารเย็นลานดาวออกไปเอาโนต ด, ดนตรีในรถงานของหล่อนซึ่งเปลื่อนไว้ที่โต๊ะอาหารว่าประพันธ์ขึ้นเพื่อมอบให้ลัตทีกับมาวันทาโดยเฉพาะ หลอนแต่งในขณะกำลังคิดถึงมาวันทาด้วยอารมณ์สุนทรและใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์สกอร์สำหรับฟุตและเปียโนออกมาอย่างดีนักประพันธ์สาวยื่นแผ่นกระดาษให้สองสามีภรรยาสี่ชิ้นแล้วเอามือไพร่หลังอมยิ้มเหมือนรอดูว่าทั้งสองจะมีปฏิกิริยาเช่นใดมาวันทาตาเป็นประกายเล็กน้อยชื่อเพลงที่เห็นในหน้าแรกคือ marriage of two stars m a r r i a g e o f t w o s t a r s ลัดทีเป็นคนชมด้วยเสียงกลัวหัวเราะชื่อเก๋ดีจริงวิวาแห่งสองดาวเสียดายน่าจะรู้จักกันตั้งแต่ครึ่งปีก่อนจะได้เอาไปเล่นในงานแต่งถือว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานที่ล้าหลังกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ได้นะคะจะทราบจากพี่เอิญว่าพี่อ่องเล่นกีตาร์คล่องยิ่งกว่าเปีย โ, โนเสียอีกเลยเลือกทำเพลงแนวเซลติกเหมือนเล่นกันรอบกองไฟที่ชายหาดในคืนฉลองระหว่างครอบครัวกันเองลัดทีพงกษ์ศรีสะอย่างเข้าใจว่าเสียงกีตาร์จะเข้ากับบรรยากาศดนตรีเซลติกมากกว่าเปียโน และนั่นก็ทําให้เห็นไปในตัวว่าลานดาวมีความรู้ความเข้าใจเครื่องดนตรีหลากหลายอย่างน้อยก็ต้องเล่นกีตาร์คลาสสิกเป็นมิฉะนั้นต่อให้มีหัวในทางประพันธ์เพลงอย่างไรก็ไม่สามารถใส่ทางดําเนินของกีตาร์ได้ถูกเลยการเล่นเพลงแต่งเองมีข้อพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือความรู้สึกในอภิสิทธิ์เฉพาะตัวเฉพาะอารมณ์เช่นที่ลานดาวตั้งชื่อเพลงไว้เป็นความหมายให้เขากับภรรยา และทีชวนสองสาวเข้าห้องดนตรีทันทีด้วยความอยากฟังและเป็นการเอาใจคนแต่งไปในตัวเจ้าของเพลงสาธิตก่อนเลยดีกว่าจะเล่นให้พี่ฟังสักเที่ยวแล้วกันว่าเป็นยังไงให้พี่เล่นคงตะกุกตะกักแย่ว่าแล้วก็เดินไปนํากีตา้ากับขาตั้งโน้ตมาให้ก็ได้ค่ะแต่กีตา้าพี่อ๋องคอใหญ่สายแข็งจะอาจเล่นบอร์ดบ้างนะคะออกตัวเสร็จก็หันไปพยักยิ้มให้กับมาวันทาปรับกีตา้าจากมือลัทธินามาพาดตักลานดาวนั่งตามสบายคือไขวอห้าง แต่ก็มีภาพแห่งความเป็นนักดนตรีมืออาชีพปรากฏเด่นในลีลาตามสบายนั้นชนิดที่มองปราดเดียวรู้สึกทันทีว่าเดี๋ยวจะได้ยินเสียงดีๆจากหล่อนรูปกายภายนอกของลานดาวคล้ายถูกออกแบบให้เข้ากับโลกพิรมทางดนตรีโดยเฉพาะนับแต่กลุ่มผมเป็นเงามันยาวสลวยความผุดผาดนวลละออของผิวพันธ์ไปจนกระทั่งอาภรเนื้อดีนุ่มเบาบนร่างดูช่างเข้ากันเหมาะเจอกกับทรงกีตาร์บนตักงามตาราวกับเทพธิดานแน่งน้อยใต้ต้นป ร, ริชาตในสวนสวรรค์ ห้อมล้อมด้วยหมู่เพื่อนที่ให้ความสนใจรอฟังงานนิรอมิดชิ้นใหม่ของเธอนักบินหนุ่มผิดภาพชวนพิสมัยนั้นแล้วทําให้นึกถึงที่มาของกีตาร์เขาทราบ ว, ว่าตอรเรสซึ่งเป็นช่างไม้ชาวสเปนผู้ออกแบบกีตาร์ได้แรงบันดาลใจสร้างสรงสรค์เครื่องดนตรีชนิดนี้จากส่วนโค้งส่วนเว้าของผู้หญิงและทีิจึงเกิดมุมมองขึ้นอย่างหนึ่งคือนักกีตาร์ชายที่เล่นเก่งเปรียบเสมือนผู้สามารถครอบครองหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดด้วยความเต็มใจของหล่อนเอง ส่วนนักกีต้าหญิงคงเปรียบได้กับผู้สามารถนำอิทธิภาวะแห่งตนมาแสดงยวนตาพร้อมกันกับเล้าลมโสดวิญญาณเพื่อนร่วมโลกไปด้วยครบวงจรความต้องตาหน้าพิสวงของภาพตรงหน้าทวีแรงขึ้นเมื่อลันดาวเริ่มเปิดฉากนำเพลงการประสานงานระหว่างมือซ้ายที่กดและมือขวาที่เกาสายกีต้ทั้ง6เลื่อนไหลาราบรื่นแสดงให้เห็นฝีไม้ลายมือชันเลิศของนักเรียนการดนตรีผู้มีอนาคตแจ่มจัด ความสวยที่มาพร้อมกับความเก่งกาจมักมีอำนาจหยุดสายตาทุกคู่ให้จับจ้องพินิจเพลินนานรูปหน้าและเรือนร่างโสดผิดที่ตั้งนิ่งด้วยอาการใส่ใจบรรเลงผนวกกับความเคลื่อนไหวแปะปลี่ยวแห่งเรียวลำนิ้วที่พลิวไปตามตำแหน่งต่างๆของค อ, งองกีตาร์ยังผลให้ภาพที่ออกมาดึงดูดเกินถอนตาสำหรับผู้เพิ่งมีโอกาสยนเช่นหลัดทีเพลงแนวเซลติกมักเรียบง่ายและส่องสะท้อนชีวิตอันเป็นภารดรภาพเหมือนคนในครอบครัวชวนบรรเลงอย่างเป็นกันเองในยามว่าง มากกว่าเพื่อออกงานแสดงใหญ่เพลงวิวาแห่งสองดาวดําเนินไปตามคันลองเซลติกที่เหมือนลานดาวพยายามประกาศว่าหล่อนสอสารใจเข้ากับหพวงจินตนาการวอวนไอรักในวันสมรสวันเริ่มต้นชีวิตคู่และวันอยู่ด้วยกันตามสัญญามั่นหมายว่าจะเป็นเช่นนี้ไปชั่วนิวรันด์บางลีลาบทบาทของกีตาร์คล้ายบรรยายถึงสิ่งละอันพันละน้อยในบ้านแสงสุก ข, ขณะเดียวกันสำเนียงของฟลุตก็สออาการร่าเริงเหมือนดีใจกับการพบดวงหน้าที่ตนรัก ทั้งเพลงฟังใสสะอาดเหมือนรินน้ําบริสุทธิ์ลงรถดอกไม้หลากสีลทัทธิเคยรู้สึกจืดชื่ดกับแนวเพลงเซลติกอันเป็นดนตรีพื้นเมืองเรียบง่ายเอื่อยเฉยแบบของชาวเซลส์ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในหมู่เกาะอังกฤษทว่าครั้งนี้ทั้งภาพและเสียงรวมกันออกมาทําความตื่นหูตื่นตาแหวกความจําเจชวนชื่นมื่นเกินบรรยายช่วงจบมีลูกเล่นฉีกแนวเซลติกไปบ้างคือกระโดดโลดผลกระตุกอารมณ์แสดงความซุกซนเล็กๆในจิตใจเจ้าของงานประพันธ์ ทว่าขณะเดียวกันก็ฟังกลมกลืนแบบเรื่องหักมุมที่ไม่เสียอัทรรรวมแล้วสรุปลงด้วยจิตใจชื่นบานทั้งคนเล่นและคนฟังละทีตบมือดังๆหลายแปะแถมทายด้วยการใช้นิ้วบีบ ป, ปากเป่าเปียวแบบโกรุ่นเดะแสดงความชื่นชมเป็นอย่างสูงและนั่นก็คือสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าลานดาวแทรกตัวเข้ามามีส่วนร่วมกับครอบครัวน้อยแห่งนี้แล้วเต็มภาคภูมินับแต่นาทีนั้น หลายชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีใครใส่ใจนาฬิกาบนผนังมีแต่สับสัเนียงแห่งดนตรีการและเสียงพูดคุยหัวเราะหยอกล้อกระทั่งเสียงโทรศัพท์มือถือของลานดาวดังขึ้นฮัลโหลค่ะยังอยู่บ้านพี่เอิญเลยอุ๊ยเกือบเที่ยงคืนแล้วหรือคะตายจริงหลอนเหลือบตามองนาฬิกาก็พบว่าเข็มชี้บอกเวลาเลยห้าทุ่มครึ่งแล้วจริงๆกลับเดี๋ยวนี้แหละค่ะสิานาทีก็ถึงรับรองสวัสดีค่ะแม่ ลานดาวกดสวิตวางสายเพียงเท่านั้นมาวันทาลุกจากฝั่งตรงข้ามมานั่งเบียดและอบไห่ขอแม่นอนค้างที่นี่ดีกว่าไหมดึกเกินไปแล้วละ่ะพี่ก็ลืมเวลาไปสนิทนี่นึกว่าศักด์ศีทุ่มครึ่งใช้เสื้อผ้าพี่ได้ตัวพอๆพพกันอยู่แล้วเด็กในปกครองของพ่อแม่ทำตาละห้อยคุณแม่เสียงเขียวอาคาถ้าค้างข้างนอกโดยไม่ขออนุญาตเสียก่อนจะโดนเอ็ดใหญ่ถัดจากนั้นจะปั้นหน้าเข้มงวดไปอีกเป็นอาทิตย์มาวันทาหัวเราะ โอเคงั้นวันหลังค่อยขอเดี๋ยววันนี้พี่อ๋องกับพี่ขับตามไปส่งละกันไม่ต้องรอกค่ะแค่นี้เองปลอดภัยหายห่วงสองสามีภรรยาเดินออกมาส่งผู้เป็นเสมือนสมาชิกใหม่ของบ้านดีใจที่ได้รู้จักคนเก่งอย่างจะนะและขอบใจมากสําหรับเพลงดีๆที่แต่งให้พี่กับเอิร์นไม่เป็นไรค่ะพี่อ๋องลานดาวสยามยิ้มตอบอย่างดีมาวันทาสั่งเสียขับรถระวังละ่ะต่อให้จานบินตกก็ห้ามจอดดูนะแวะขอลายเซ็นแป๊บไม่ได้เหรอคะ หนุ่มสาวเจ้าของบ้านหัวรอพร้อมกันขอบคุณนะคะสําหรับอาหารและความสุขมือค่ำราตรีสวัสดิ์ค่ะพนมมือไหว้พี่ๆทั้งสองตึ้งต่างก็รับไหว้ด้วยกิริยาอ่อนโยนเปลี่ยมไมตรีแล้วลานดาวก็เปิดประตูย่อไกเข้ารถแต่สายตายังแวะเวียนมาประสานกับมาวันทาต่อลทัทธีเพอิญเห็นเข้าก็นึกอยากทดลองขึ้นมาเล่นๆทําทีทอดแขนอบตรกรองมาวันทาด้วยมาเจ้าของสมบัติแถมเอียงหน้า ก, ก้มลงจุมพิษขมับภรรยาคล้ายอยากแสดงความรักท่วมอกกะทันหัน กระแสเศร้าเป็นสิ่งยากจะปิดบังโดยเฉพาะสำหรับคนที่เห็นภาพบาดตาแบบฉับพลันทันด่วนเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยเข็มแหลมขณะเผลอแม้ถูกพลางอยู่หลังกระจกรถและเงามืดของค่ำคืนลัทธิซึ่งปลายตาสังเกตตลอดเวลาก็จับอาการชะ ง, งักงันได้ถนัดอย่างน้อยก็ชั่วอึดใจสั้นๆก่อนลานดาวจะถอยรถแล้วขับจากไปชายหนุ่มทอดมองจนลับตาก่อนเอ่ยด้วยซุ้มเสียงของคนผ่านร้อนผ่านหนาวม า, มาก เพลงที่น้องจ้าแต่งเนี่ยนะมาจากปิติที่ได้รู้จักเอินแท้ๆเลยชื่อวิวาแห่งสองดาวอะไรนั่นมาคิดขึ้นเพื่อใช้บางหน้าในภายหลังเท่านั้นมาวันทาถึงกับเกรงและคืนตัวออกจากอ้อมแขนสามีรากับคนมีพิรุธติดตัวหมายความว่ายังไงคะละทีชำเลืองภรรยาด้วยห่างตาพูดตอบราบเรียบเป็นปกติหมายความว่ายังไงหมายความว่าน้องเขาดีใจที่รู้จักเอินนศีคนถูกอัธยาศัยได้รู้จักกันนะ่ะว่าแต่ทําไมต้องขึ้นเสียงกับพี่อย่างนั้นด้วยละ่ะ พอถูกทักจี้จุดผู้เป็นภรรยาจึงสํานึกว่าออกอาการเกินงามไปหน่อยจึงลดเสียงลงพี่อ่องหาว่าจาคิดตั้งชื่อเพลงบางหน้าทําไมต้องใช้คําว่าบางหน้าด้วยล่ะคะเอ๊ก็เปล่ามีความหมายพิเศษสักหน่อยนี้พี่แค่ราพึงว่าเนื้อแท้แล้วเขาแต่งสนองปิติของตัวเองแต่พอจะเอามาให้เราเล่นและมอบเป็นของขวัญก็ตั้งชื่อเพลงให้เข้าทํานองชีวิตคู่ของเราเท่านั้นแมมเดี๋ยวนี้ยุ่มยิ้มคิดและคิดน้อยเสียจริงพี่แค่เลือกใช้คําผิดหูหน่อยเดียว มาวันทาอึกอักเปล่านี่คะแค่ ง, งงงก็ถามแล้วหล่อนก็เงยหน้าจ้องเขม็งพอนึกถึงความผิดของเขาออกก็เล่นงานทันทีเอิญบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบให้มาเกาะแก่รุ่มร่ำต่อหน้าคนอื่นคราวหลังไม่ยืนจูบ ป, ปากอวดเจ้าจ่าเสียเลยล่ะคะเก็บค่าดูด้วยแล้วหล่อนสะบัดหน้าเดินเข้าบ้านทันทีทิ้งให้ลัตียืนถอนใจอยู่ตามลําพังณจุดเดิมหากสังเกตก็จะเห็นเขาเงยหน้ามองฟ้ามืดหม่นด้วยท่าทีเสื่อมซึม แตกต่างจากกิริยาร่าเริงเมื่อคลู่แท้เป็นคนละคน